อีกปัญหาหนึ่งเอิทธิพระทัศนสะปัญหาพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธิ์ข้อความนี้ไว้ว่าตถาคตาสะโข อ, อนันทจัตตารอิทิปาทาภาวิตาเป็นต้นดูก่อนอ น, อนุน อิธิบาสีตถาคตได้เจริญแล้วได้ทําให้มากแล้วได้ทําให้เป็นญาณแล้วได้ทาให้เป็นที่ตั้งอาศัยแล้วตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วดูก่อนอนอนต์ตถาคตนั้นเมื่อหวังอยู่ก็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือตลอดส่วนที่เหลือแห่งกลับดังนี้อันนี้เป็นคำพูดที่พระองค์ตรัสก่อนที่จะปรงมายุสังขารเนี่ยนะเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสก่อน จะปล ong มายุสังขารอีกพุทธพจน์หนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอิโตตินนางมาสานางหัดเจเยนะตถาคโตปริณิพายิสติแปลว่าล่วงไปสามเดือนนับแต่นี้ตถาคตจักปริณิพานดังนี้พระขุนเจ้านาเกษถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอ น, นุนอิธิบาเซ ตถาคตได้เจริญแล้วทําให้มากแล้วได้ทําให้เป็นญาณแล้วได้ทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยแล้วตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วดูก่อนอนนตถาคตนั้นเมื่อหวังอยู่ก็จะเพืงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือตลอดส่วนที่เหลือแห่งกับดังนี้ถ้าคําพูดนี้จริง ถ้าอย่างนั้นคําพูดที่ตรัสว่ากําหนดการไว้สามเดือนเราจะปรินิพานก็เป็นคําพูดที่ผิดพระขุนเจ้าถ้าหากพระตถาคตตรัสไว้ว่าล่วงไปสามเดือนจากนี้ตถาคตจักปรินิพานดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนนต์อิทิบาสีตถาคตได้เจริญแล้วเป็นต้นนะนะคําพูดนั้นะก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ไม่ทรงมีอันตรัฐานะที่ไม่เป็นจริงเขาเรียกว่าแปลกคือคือพระนาคเสดพระเจ้ามิรินนี่ก็ไม่ธรรมดานะก่อนจะให้ตอบคำถามเนี่ยต้องขู่กันเขาเรียกว่ายกเมฆจากเขาเรียกว่ายกพุทธพจน์จากที่อื่นๆมาเพื่อรับรองว่าไอ้คาที่กับพระเจ้าเห็นเนี่ยมันถูกต้องแต่ท่านท่านต้องตอบให้ดีนะเพราะว่าอะไรนะหาเหตุหาผลมารับไว้เอาไว้หมดแล้วเกิดเกิด ค, คงคงจําปัญหาได้ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์นี้ อิธิบาตนี้เจริญเป็นอย่างดีถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยนะจะอยู่ได้กลับหนึ่งหรือตลอดกับับเกินกว่ากับก็ได้อีกคําหนึ่งอีกคําหนึ่งบอกว่าอีกสมเดือนจะปรินิพานเอ๊ะตอนแรกบอกว่าสั่งสมอิธิบาทว่าสามารถอยู่ได้ถึงอายุ ก, กับหรือว่าเกินกว่ากับแต่อีกคําหนึ่งบอกอีกสามเดือนจะปรินิพานเนี่คํานี่มันขัดกันนะคํานี้เพราะอะไรเพราะปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ทรงตรัส ในฐานะที่ไม่เป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงมีพระวาจาเลวพระวาจาที่เปล่าเลวก็แปลว่ามันไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเนียนะไม่เเลวไม่เปล่าพระองค์นี้ทรงมีวาจาจริงแท้ไม่ทรงมีพระวาจาเป็นสองอย่างปัญหาแม้นี้มีสองเงื่อนลึกซึ้งละเอียดอ่อนยิ่งนักเห็นได้ยากตกถึงแก่ท่านแล้วปัญหานี้มาถึงท่านแล้วนะขอท่านจงทําลายข่ายคือทิฏฐิ จงตั้งเอาไว้ในส่วนเดียวจงทำลายประวาทซะนะช่วยแก้ลัฐที่ความเห็นความเห็นที่ผิดพลาดเหล่านี้เถอะธนาเกษรก็ได้ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อ น, นี้ไว้ว่าดูก่อนอนน อิทิบาสีอันตถาคตได้เจริญแล้วได้ทําให้มากแล้วได้ทําให้เป็นญาณแล้วได้ทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยแล้วตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารภดีแล้วดูก่อนอันนตถาคตนั้นเมื่อหวังอยู่ก็เพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือตลอดส่วนที่เหลือแห่งกลับดังนี้พระพุทธพจน์ตรัสเนี่ยจริง และที่พระองค์บอกไว้ว่าอีกสมเดือนพระองค์จะปรินิพานพระพุทธพจน์นี้ก็จริงก็แต่ว่าคําที่ว่ากลับกับที่พระองค์ตรัสในในที่บอกว่าอิทธิบา ท, ที่เจริญแล้วเนี่ยวังอยู่ดํารงอยู่ได้ตลอดกลับหรือว่าเกินส่วนที่เหลือแห่งกับเนี่ยหมายถึงอายุกับอายุไขเนี่ยนะหมายถึงอายุกลับมาอายุไขของแต่ละยุคเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ยอายุไขประมาณเท่าไหร่ท่านบอกว่าเฉลี่ยแล้วร้อยปี นะเกินกว่าบ้างน้อยกว่าบ้างก็มีอยู่แต่เฉลีย่ยถือเกณฑ์เฉลี่ยว่าร้อยปีถือว่าอายุกับของคนสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้หาใช่จะทรงยกย่องกําลังของพระองค์เองไม่คือพระองค์พูดอย่างนี้พระองค์ไม่ได้แปลว่าพระองค์มีใจจะอยู่ตลอดกลับนะตลอดอายุกลับไม่ใช่พระองค์มีใจจะอยู่จนถึงอายุร้อยปีไม่ได้พูดอย่างนั้น ถ้าว่าพระองค์ยกย่องกำลังแห่งอิทธิบาทจึงได้ตรัสอย่างนี้วพุทธพจน์ที่บอกว่าอิทธิบาทสีเนี่ยที่พระองค์เจริญแล้วเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือส่วนที่เหลือแห่งแห่งกับเนี่ยนะอันนี้ด้วยกำลังอิทธิบาทไม่ใช่ไม่ใช่อัธยาศัยของพระองค์แต่กำลังแห่งธรรมะเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งนบอกว่า คนที่มีรถเนี่ยนะเส้นซึ่งว่าขับรถมาถึงเชียงใหม่แล้วขับมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่แต่ว่ารถเนี่ยมันยังขับต่อไปถึงนน่นเมืองจีนได้แต่พูดอย่างงี้ไม่ได้แปลว่าจะขับรถไปถึงเมืองจีนแต่ว่ามาถึงเชียงใหม่ก็พอละไปไปละแต่ว่าไม่มีใจจะไปไกลแบบนั้นเนี่ยนะลักษณะนั้นนะ น, นะคือตรัสถึงอนุภาพของอิทธิบาทซึ่งเหมือนกับคุณภาพของรถฉะนั้นแต่ในอุปมาพระนาคเสนบอกว่าเปรียบเหมือนว่า พระราชาคือพระเจ้าจาักรพรรดิทรงมีอาชาในที่วิ่งเร็วมีฝีเท้าจัดพระราชาเมื่อจะทรงยกย่องกำลังฝีเท้าของม้าอาชาในนั้นจึงทรงรับสั่งข้ามกลางประชุมชนของพวกข้าราชการพรามขุรฤบบดีอามาตพร้อมทั้งพวกชาวนิคมชาวชนบททั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายม้าประเสริฐของม้าประเสริฐของเราตัวนี้เนี่ยถ้ามันต้องการ มันก็ย่อมท่องเที่ยวไปในแผ่นดินใหญ่จนจดขอบเขตในทะเลแล้วก็กลับมาถึงที่นี้ได้โดยเร็วพลันคือคือเป็นม้าพิเศษว่างั้นแตสามารถวิ่งไปทั่วแผ่นดินแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วคือพระพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยพูดอย่างนี้ก็จริงแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำฝีเท้าให้ปรากฏในบริษัทนั้น ถึงอย่างนั้นม้าอาชาในตัวนั้นก็มีฝีเท้าเร็วจริงและม้าตัวนั้นก็มีความสามารถที่จะเที่ยวไปในแผ่นดินจนขอบเขตทะเลแล้วกลับมาได้โดยฉับพลันจริงอุปมาฉันใดอุปมาอ ก, ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหลนะก็เหมือนกับคนที่มีรถกูอู้รถนี้มันวิ่งได้ร้อยแปดสิบนะแต่ก็ขับแค่แปดสิบยังไงนะคล้ายๆแบบนั้นอะ่ะพระองค์ตรัสฉันใดพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสก็ฉะนั้นพระองค์เนี่ยตรัสยกย่ยองกําลังแห่งอิทธิบาทของพระองค์พระองค์จึงได้ตรัสอย่างนี้พระองค์เนี่ยประทับตรัสคํานั้นท่ามกลางพระอาหารหันต์ผู้ขีนาศพผู้ปราศจากมนทินผู้ได้วิชาสามได้อภิญญาหกพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าดูก่อนอ น, น, นุนอิทธิบาท ตถาคตอิทิบาทีตถาคตได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วได้ทำให้เป็นยานได้ทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสั่งสมดีปรารบดีแล้วดูก่อนอนอนตถาคตนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือตลอดส่วนแห่งกับดังนี้ขอถวายพระพรกําลังแห่งอิทิบาทนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสามารถที่จะดารงอยู่ตลอดกับ หรือตลอดส่วนที่เหลือแห่งกับด้วยกําลังแห่งอิทธิบาทได้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงทํากําลังแห่งอิทธิบาทนั้นให้ปรากฏในบริษัทนั้นขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้หาความต้องการด้วยพบทั้งปวงไม่พบทั้งปวงเป็นสิ่งที่พระตถาคตทรงติเตียน คือพระองค์นี้เป็นผู้ที่ไม่ยินดีในการดำรงอยู่ในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงแล้วพระองค์จะยืดอายุให้มันเพิ่มไปอีกเป็นอีกยี่สิปีอีกส0ิหิปีเนี่ยพระองค์ไม่ทำรอกเพราะพระองค์โดยพื้นฐานจริงๆแล้วพระองค์รังเกียจการรังเกียจภพวังนั้นเถอะรังเกียจสังคตะธรรมขอถวายพระพรมหาปีติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิดนี้ไว้ว่าสยถาปิพิคเวอปมตโกปิคูโถ ทุกคันโทโหดติเป็นต้นเนี่ยบอกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก้นคูดแม้เพียงก้อนเล็กๆก็เป็นของที่มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดอุจระก้นน้อยเนี่ยมันก็เหม็นฉันใดพิสูจทั้งหลายพบแม้เพียงนิดหน่อยโดยที่สุดแม้เพียงชั่วดีดนิ้วมือครั้งเดียวเราก็ไม่ขอสรรเสริญฉันนั้นเหมือนกันดีดนิ้วครั้งเดียวเนี่ยพระองค์ก็รังเกียจว่า ง, งั้นเถอะพบเนี่ยสังกัตธรรม ท, ทั้งหลายพระองค์บอกว่ามันน่ารังเกียจเหมือนอะไรเหมือนกับอุจระ ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นภพสามคติห้ากำเนิด 4, สี่เสมอด้วยก้อนคูดเหมั้นนะันนะเสมอด้วยก้อนคูดพระองค์จะอาศัยกําลังแห่งอิธิบาททําฉันทราคาให้เกิดในภพทั้งหลายหรือขอถวายพระพรรังเกียจรังเกียจภพสามรังเกียจการอยู่ในวัฏฏะพราๆกับรังเกียจอุจจาระเนี่ยนะจะผูกใจให้อยู่นานๆต่อไปไหม มันึกคําันนี้ไปอินเดียไปเข้าส้วมบางแห่งในแมวรีบออกมาลึกเกินก็ <c oughs> ไปแป๊บเดียวเนี่ยนะแมวรีบวิ่งออกมาเลยเนอะก็คิดดูว่าคื อ, ค, อคือมันมีบางแห่งที่เขาเขาใช้แบบไม่ชนิดไม่ราดน้ําสักเป็นวันๆเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะแต่ก็เราว่ามันมีบางแห่งนี่ือเข้ามาเนี่ยพอพูดถึงนะทุกวันนี้พอพูดถึงกันหน้าแบะทุกครั้งเลยนะมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาเป็นอย่างนั้นจริงจริก็ถามว่า คือถ้ามันขนาดนั้นใครจะผูกใจใจให้มันอยู่ในห้องนั้นอีกสักสักสิบชั่วโมงนั้นไม่น่าสนใจเลยนะบอกหามีได้พระคุณเจ้าพระองค์ไม่ยินดีจะอยู่อย่างนั้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะยกย่องกำลังแห่งอิทธิบาตจึงทรงบรรลือพุทธสีหานาถที่เป็นอย่างนี้คือคือกาลังแห่งอิธิบาทเนี่ยทให้พระองค์เนี่ยสามารถ ถ้าพระองค์ประสองค์อยู่ได้แต่พระองค์ไม่ประสงค์รอกพ อ, อไรเพราะพระองค์รังเกียจพบสติกำเนิดเสมอด้วยก้อนขุดฉะ น, นอ้นจะขยายอายุให้มันยาวเป็นยี่สิบปีห0ปีเป็นต้นเนี่ยจะอยู่ให้มันเมื่อยทำไมอย่างั้นนนะ่ แต่ผู้ที่มีภบเป็นที่มายินดียินดีในภพผู้ที่มีวัตตะเป็นที่มายินดียินดีในวัตตะบอกพูดเกินไปว่บาบองั้นมันมีกลิ่นหอมตั้งหลายอย่างด้วยกันนะนะเอ า, อาตามใจนะนะมัน <c oughs> ก็ปัญหาข้อนี้ก็คงเข้าใจด้วยดีนะ